นี่ต้อนรับสื่อสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาเปานากับพระมหาไปบูณ์อาภีปุณโญในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ออร่มโพธิบทเรามาทำสมาธิกันสันส้นๆ ส, สักครู่หนึง่งตัวบ้งแล้วนี้เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะ เรื่องของขันห้าประการขันหน้าเป็นอย่างไรก่อนที่จะทำความเข้าใจจุดนั้นเรามาเจริญอาณาปานาสติกันตมบุฟังทำจิตให้สงบให้เป็นอารมณ์เดียวไม่ต้องคิดนึกเรื่องใดๆคำว่าไม่ต้องคิดนึกเรื่องใดๆนั้นหมายถึงจิตเราไม่ต้องน้อมไปปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็จะ เรอเีนาคตอันธรรมดานะถ้ามีความคิดใดๆผ่านมาเราไม่เผลอเพลินปรุงแต่งตามต่อเนื่องไปแต่ให้เรามาจดจ่อใส่ใจไว้อยู่กับลมหายใจลมหายใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นแหละทุกฝังอยู่ตรงที่มันจะเข้าจะออกจากร่างกายของเรา ในร่างกายเรามัต้องมีธาตุลมใช่ไหมละ่ะธาตุลมใช้ไว้สําหรับเป็นตัวเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันก็คือลมหายใจมันก็ผ่านเข้าออกทางปพรงจมูกให้เราสังเกตตรงนั้นตรงเดียวทูฟังสังเกตตรงตําแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะ บริเวณตรงนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดออนอยู่ให้เราพยายามตั้งให้เราพยายามจดจอ่อไว้ณที่ตำแหน่งนั้นโดยอาจจะหายใจแรงๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นในที่นี้คือในโรงจมูกตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้นั่นเอง คำว่าเอาจิตตั้งเอาไว้หมายถึงเอาตรงนั้นเป็นฐานในการที่จะสังเกตดูสิ่งต่างๆในที่นี้คือลมหายใจส่วนที่เป็นกายในที่นี้คือเสียงที่ผ่านมาทางหูในที่นี้คือความคิดนึกต่างๆที่ผ่านมาทางใจในที่นี้คือกลิ่นที่ผ่านทางจมูกยังรวมถึงภาพที่เห็นด้วยด้วยตาแต่ลืมตาอยู่สังเกตดยเฉย ใช้สิ่งนี้เป็นฐานใช้ลมหายใจนี้เป็นตำแหน่งอันเดียวสังเกตดูไม่ตามลมไม่ตามลมเข้าไม่ตามลมออกมีความคิดมามากกว่ามาแต่ไม่ตามความคิดไปความที่เราระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกก้อนนั้นน่นนะเรียว่าสติไม่ได้เอาตรงลมไม่ได้เอาตรงกายแต่สติเวลามันจะเกิดมันเกิดขึ้นที่กาย เกิดขึ้นที่ลมประลมก็เป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วตั้งจิตกระล อ, อไว้แล้วสติเกิดขึ้นมีอยู่มันจะค่อยทําจิตกระลอให้ระ ง, งับลงระ ง, งับลงเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวพอจิตกระลอมีความระ ง, งับลงระ ง, งับลงเป็นอารมณ์ันเดียวเป็นสมาธินั่นแหละตรงฝั่งคือสิ่งที่เราต้องการทรําจิตให้เป็นอารมณ์ันเดียวเราทรําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวแล้ว ใช้ร่างกายที่ละเอียดอ่อนนี้แหละมาให้เกิดปัญญามาให้เกิดวิชามาให้เกิดความรู้ไมให้เกิดแสงสว่างแล้วแผ่เมตตาไปทั้งวังเราใช้จิตที่มีความสว่างเจริญเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตานั้นคือความปรารถนาให้เขาได้มีความสุขให้มีความสำเร็จ โดยไม่เว้นใค ร, ใครไปเลยเป็นจิตที่ประกอบด้วยเมตตาอันไม่มีเว้ไม่มีปยาบาตเป็นจิตกลางขวา ง, วางให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้โดยไม่ได้คิดว่าจะหมดให้โดยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงกับใครแต่ให้ทุกค น, นว่าคนนั้นเขาจะชอบเราเกลียดเราพอใจหรือไม่พอใจเราอย่างได้อย่างหนึง่งให้ไปเลยตัวหวังแผ่เมตตาให้ ก็ให้สรรสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญอ้าวละตัมบฟังหลังชาที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บธทธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศไว้บอกไว้เวื่อ้เกิดความรู้คือปัญญาเวื่อ้เกิดแสงสว่างคือวิชาที่จะทำจิตเรานั้นให้เหนือให้พ้นให้หรอดให้ไกลจากสิ่งที่มันไม่ดีจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายให้เหลือแต่ สิ่งที่มันดีดไว้อยู่ในจิตใจของเราเป็นความใสเป็นความสว่างเป็นความขาวเป็นความสูงเป็นความเบากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้นำฝังต้องอาศัยการฟังต้องอาศัยการปฏิบัติจึงในตุวนพุทธช่วงของใต้ร่มโพิบดกัพระเจ้าก็จะมานำพาการปฏิบัติสั้นๆสักประมาณห้านาทีสิบนาที เราก็นำหัวข้อธรรมามาใหมยฟังซึ่งหัวข้อธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงได้แยกแยะวิเคราะห์หาเหตุผลยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างมีทั้งตัวอย่างการใช้งาน ในรูปแบบภาษาที่ว่าเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วเมในสมัยนั้นนะท่าฟังนะตัวข้าพเจ้าเป็นสาวกในศาสดาที่ประกาศคำสอนเหล่านี้ก็จึงนำคำสอนที่ท่านได้ประกาศไว้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้ท่านฟังข้าพเจ้าอยากจะนำพาท่านผู้ฟังมาสู่พื้นฐาน คือเบสิก back to basic กลับมาสู่พื้นฐานกลับมาสู่รากเงากลับมาสู่รากฐานกลับมาสู่ที่ที่มันตามที่มันจะเป็นฐานที่มันจะเป็นที่รองที่มันจะเป็นที่สนับสนุนของธรรมะอะไรที่มันจะสูงๆงต่อต่อเนื่องๆขึ้น ข, นขนไปนะเบสิกเนี่ยท่านผฟังมันจึงสําคัญ เบสิกเนี่ยมีความสำคัญมากๆถ้าเราฐานไม่แน่นใช่ไหมขึ้นไปแล้วบางทีก็เอียงกระเทเร่อยู่บนพื้นฐานไม่แน่นแล้วขึ้นไปก็มันรับน้าหนักไม่ได้ก็พังลงมาทั้งหมดเลยหรือถ้าพื้นฐานไม่ดีแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้สูงขนาดไหนขึ้นไปนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ละมันก็ติดขัดได้เท่าที่มันจะได้เพราะพื้นฐานไม่แน่น ในช่วงนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะป ร, ะรับพื้นฐานใ น, น, นหัวข้อธรรมนี้ให้มั่นคงในจิตใจของธรรมฟังพื้นฐานในที่นี้ก็คือเรื่องหมวดธรรมที่จะเป็นพื้นฐานไปนในทุกๆเรื่องนั่นคือเรื่องของขัน 5, ธ์ห้าธรรมฟังเราก็จะมีธรรมะหมวดอื่นๆที่จะเป็นพื้นฐานของเรื่องอื่นๆต่อๆไปในตอนต่อๆไปมาพูดถึงด้วย หัวข้อที่จะยกวันนี้เรื่องของขันหานั้นมาจากในอริยสัจสี4หมวดของทุกทุกสมุทัยนิโรธมัดนันรวมเป็นอริยสัจสี4ข้อทุกนี้คือขันหนเหตุเกิดทุกขคือสมุทัยได้แก่ตถาหานิโรธคือความดับไม่เหลือของทุก ได้แก่ความดับไม่เหลือของตัณหาและมรรคมักคือทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกได้แก่องค์แปประการวันนี้จะเอาเรื่องของทุกขาริยาสัต์มาให้ทุกฝั่งได้ฟังทำไม เ, เรื่องนี้ถึงเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญก็เพราะเราอยู่กับมันอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าเรามีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะมันเนี่ย แล้วถ้าเราจรูเรด้องเราค้นจากทุกข์เราก็ดูจากตัวมันนี่แล้วว่ามันจะพ้นหรือไม่อะไรอะไรไมันก็มาเกี่ยวข้องกับทุกนี้คำว่ามองพิจนารณาดูถึงร่างกายของเรานี่นะไม่ว่าจะพรอร์ดักอะไรก็ตามที่ผลิตขึ้นมาในปัจจุบันนี้นี่ไล่ไปเลยตั้งแต่ทางการแพทย์การหมอไล่ไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมดนี่ เพื่อที่จะมาบํารุงบํรเ ร, ากาเร่กายของเราดูั้มาากายของเรานี่มันจึงเป็นที่ที่แบบรวมของทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะใส่ยามันก็โด อ, อยู่ในกายนี้เขาจะพาคุณไปอาบน้ำบรองอาบที่กายนี้เขาจะผ่าตัดคุณกับพาที่กายนี้เขาจะเอาครี ม, มาทากันแดดก็ทําที่กายนี้เขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้กินก็ใส่ลงไปในกายนี้ เขจะพาคุณไปเที่ยวดูนั่นนี่ก็ดูอยู่ผ่านทางกายนี้แหละมีตามก็เห็นเขาจะเล่นดนตรีให้มีความไพเราะราบริงก็เพื่อที่จะบำรุงบรรเทากายนี้หรือว่าจะอ่านหนังสือให้ฟังแล้วคิดค้นเรื่องราวที่เป็นทางการตลาดหลักจิตวิทยายท้งข้อใดๆหรือแม้แต่ปัญญาที่เราจะสร้างสมผลิตให้เกิดขึ้นในเรื่องไหน ก็มาอยู่ในกายนี้ล่ะกายนี่มันจึงเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทั้งเชื้อโรคด้วยนะสิ่งที่จะมาแผดเผาให้กายนี้มันไม่เกรียมคือแสงแดดแล้วมันก็เผาที่กายนี้เชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียที่มันจะมาทําร่างกาย เ, าเราให้อ่อนแอลงเหมันก็มาทําในกายนี้แล้วก็ยังรวมถึงพวกจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันจะมาเกาะ ผลิตสารนันี่เหมือนก็อยู่ในกายนี้ในกายเนี่ยมันจะเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างทุกฝัง่งผลิตภัณฑ์แนวความคิดอะไรต่างๆก็ตามก็บำรุงบำเรอมาจัดการกับกายนี้ไม่ให้ไปในแนวทางใดก็แนวทางหนึ่งอันนี้เป็นอุปมาใช่ไหมอุปมาปเปรียบมาก็คือขนนันห้าแล้วเอง่ในทางธรรมะ ในทางธรรมขันห้าหรือชุเน็นที่รวมของทุกอย่างจเจอความยึดถือตันหาอุปาทานอากุศลธรรมใดๆมันก็เนี่ยแหละต้องผ่านทางขันห้าหรือจะทางแก้โพชฌงค์มักแปดอิธิบาส4มันก็ต้องมาผลิตกันหรือเอามาใส่อยู่ในขันห้ามันถึงจะทำได้ หรือแม้แต่เสียงรูปสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ในขันหานี่อยู่แล้วเลยจึงเป็นธรรมะที่เป็นเบสิกพื้นฐานที่สําคัญไม่ใช่เบสิกแล้วจะไม่สําคัญไม่ใช่เบสิกแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นแต่เกี่ยวข้องกับทุกๆุกสิ่งอยู่มาตั้งแต่แรกไปจนถึงสุดจบสุดท้ายก็ยังต้องเกี่ยวข้องกันกับขันห้า อยู่ดีแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรู้แล้วขันห้าก็ายังอยู่กับท่านอยู่นะที่ตายตนโบน่ะนะที่เมืองขยาหรือแม้แต่ตอนที่ปรินิพันธ์ก็ระหว่างต้นสารคู่ที่เมืองกุสินาราน่ะนะขันห้าก็กองอยู่ตรงนั้นไม่ได้เข้าเผาแล้วก็ยังมีส่วนของรูปให้เป็นอัติธาต เก็บไว้บูชานั่นก็ขันนาเนี่ยก็้องอยู่ตรงนั้นอยู่มาตลอดตังแต่ฝังเราจึงควรที่จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของขันนานีคือเจ้าตัวทุกข์อันดับแรกก่อนตังังทำไมท่านจึงเรียกว่าทุกขะเริยสัจและประสะไต่ว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ทำไมเรียกว่าทุกข์ทำไมไม่เรียก x ทำไมไม่เรียก y ทำไมไม่เรียกสุขทำไมไม่เรียกชื่อนะ่ะทำไมต้องเรียกชื่อนี้คือทุกข์ไงเอาก็มันคือปัญหาไงเราจะเรียกปัญหาว่าอะไรอ่ะท่านเรียกว่าทุกข์ไงแต่ไม่เรียกว่าปัญหาเรียกปัญหาว่าทุกข์เพราะมันคือปัญหาไง ถ้าเรียกว่าสุขเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันคือปัญหาแต่ปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้คือทุกข์นี่ท่านจึงใช้เรียกชื่อปัญหาว่าทุกข์ประเด็นใะนตาฟังือว่า้ปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคนออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาอย่างถูกต้องอเราแก้ปัญหา ไม่ได้ถ้าคุณไม่เห็นปัญหาว่าเป็นปัญหาคุณแก้ปัญหานั้นไม่ได้ฟังกครั้นะสมบัตินะเราเจอสถานการณ์อันใดหนึ่งอยู่แล้วเราไม่เข้าใจว่าไอ้นี่มันจะเป็นปัญหายัางไงเ้าคุณก็อยู่กับมันไปไงเหตุาการณ์นี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรของเราเนี่ก็อยู่กันไปมันก็ไม่มีปัญหาหรืปอปะเออก็ใช่ไงแต่คุณหนึ่งเขามามองบาทีเขาคิดว่ามันเป็นปัญหานะี่ย อยู่ด้วยการคนหนึ่งเห็นว่าเป็นปัญหาอีกคนหนึ่งเห็นว่าไม่เป็นปัญหาคนที่เห็นว่ามันไม่เป็นปัญหามันก็ไม่ได้ทำอะไรส่วนคนที่เ็าเห็นว่าจะเป็นปัญหาหรือมันมีปัญหาอยู่แล้วเขาจะแก้ได้ไหมในก็ อ, อีกเรื่องลนะ้ว่าเขาจะหาทางแก้ได้หรือเปล่าแต่อันดับแรกมันต้อง r e c recognize ก่อนมันจะต้องยอมรับก่อนนะว่านี่คือปัญหา ท่านจึงจัดไว้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันคือปัญหาอยู่ทุกวันนี้ปัญห า, างไงท่านเป็นปัญหาที่เราต้องจมอยู่กับมันที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้มันคือทุกข์จากเจ้าขันหานี่อ่าโอเคคฮ้ยจะแบบว่าคุณคุ้นหูขึ้นมาบ้างนะเก็ตขึ้นมาบ้างว่าโอเคมันคือทุกข์มันคือปัญหาปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ อยู่ในขันห่านี้ทั้งหมดตัมบูฟังไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเรื่องสิ่งแวดล้อมพูด อ, อยู่ในกันแน่นแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพร่างกายนี่เลยกันห้าเลยคือรูปไม่ว่าจะเรื่องการเมืองนี่เลยอยู่ในขันทานี้แน่นอนไม่ว่าจะเรื่องสังคมไม่ว่าจะเรื่องคนไม่ว่าจะเรื่องของ ไม่ว่จะเรื่องเทคโนโลยีฟิสิกส์เคมีชีวะหรือแม้แต่นานเทคโนโลยีคอสโมสเทคโนโลยีระดับควอนตัมอยู่ในคณะนนี้หมดทุกฝังอยู่ในขณนะนี้หมด อ, อ, อยู่ในทุกนี้หม ด, ห ม, ดมันเป็นปัญหาหมดทุกอย่างที่ว่าเขาแบบแก้ได้แล้วคิดสมการทางคณิตศาสตร์อะไรเขาคิดอยู่ในนี้หนึง่งฝังอยู่ในหมวดธรรมที่เรือว่า ขันหาว่ามันเป็นปัญหาใช้คำเรียกว่ามันคือทุกข์ไม่เรียกว่าสุขไม่เรียกว่าสวรรค์ไม่เรียกว่าอะไรแต่เรียกว่าทุกข์ชื่อเรียกมันเป็นงนี้ทำไมถึงเรียกว่าทุกข์เพราะมันเป็นปัญหาใช่ไหมแล้วในปัญหาที่ว่าเรียกที่เรียกเนี่ยราเรียนมันเป็นยังไงเ่นแจกแจงหน่นี้ทุังว่าทุกขะเรียสัต ได้แก่จัดเป็นหมวดหมู่ไว้ทุกฝั่งจะเป็นกองกองเอาไว้คือมันเยอะนะปัญหาทั้งโลกเนี่ยนะมันเยอะจนกระทั่งเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะทุกฝังว่าเหมือนกับเราเอาไม้เอาไม้มา่างไหนเอาไม้มาจากป่านั่นแหละแต่ป่ามาทั้งโลกเลยนะคือถอนต้นไม้ทุกต้นในโลกนี้มากองรวมกันเอาไว้ที่หนึ่ง กิ่งไหนเป็นกิ่งใหญ่กิ่งไหนเป็นกิ่งเล็กแยกอาไว้จัดหมวดหมู่ไว้เอาสัตว์ทะเลมาสัตว์ทะเลที่อยู่ในทะเลทั้งหมดเนี่ยนะจับขึ้นมาหมดทุกตัวตัวไหนตัวใหญ่เสียบด้วยไม้ใหญ่ตัวไหนตัวเล็กเสียบด้วยไม้เล็กเสียบแล้วทําไงกระทำเป็นปลาเคมนี่ห้ามตากแดดพึ่งให้แห้ง เหมือนปลาแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนี่ยแหละเราจึงค่อยเอาไปย่างไปปิ้งไปต้มไปทำอาหารอะไรต่างๆต่อไปตัวใหญ่เสียบด้วยไม้ใหญ่ตัวเล็กเสียบด้วยไม้เล็กทำอย่างเงี้ยไปดูฝั่งจนกระทั่งว่าป่าไม้ทั้งหมดโลกนี่หมดเลยนะสัตว์ทะเลนี่ยังไม่หมดนะสัตว์ทะเลที่มันยังไม่หมดเนี่ยเพราะมันมากโดยความที่ตัวมันเล็ก ทั้งประเภทที่เป็นปลาประเภทที่เป็นหอยประเภทที่มีกระดองอยู่ข้างนอกข้างในและความลึกของทะเลนี่ก็มีมากการที่ว่าโอ้โหสัตว์มันจะหมดทุกตัวในทะเลเอาไม้มาเสียบนี่มันไม่หมดอ่ะไม้ยังไม่พอมันมากทั้นเปรียบเ ท, ทียบไว้กัถูกว่ามันมากมากโดยความที่มันยิบมันย่อยมันกระจุกกระจิกมันนีนั่นโน่นอะไรมันเยอะแยะไปหมดนะ่ะทุก บรรยายกันร้อยปีพูดเรื่องทุก์ว่ามีอะไรบ้างไม่จบแต่ม่ังไม่จบเพื่อที่จะให้มันบอกว่ามีคําจํากัดความอธิบายกันได้ก็จึงจัดเป็นกองเป็นกองเป็นหมวดเป็นหมวดเอาไว้เพื่อสะดวกต่อการบัญยัติง่ายต่อการอธิบายและไม่ยากเกินที่จะทําความเข้าใจความเข้าใจแบ่งเป็นกองของ ขันขันในประวะกรองอะไรที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันจะมากองๆองรวมกันเอาไว้จนจึงแบ่งได้ทั้งหมด5กรองด้วยกันผู้ฟังสิ่งที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันในกองแรกคือเอาเรื่องของสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่มันแตกสลายได้ด้วยความร้อนความแล้วความหิวความกระหายเราเรียกว่ารูปประขัน คืรียว่ากองคือขันนี้ว่ารูปคือรู ป, ปะเพราะความที่มันจับต้องแบบว่าเห็นหๆก็ได้เปลี่ยนแปลงสภาพได้ง่ายที่เป็นเรื่องรู ป, ปะธรรมทั้งหมดรู ป, ปะธรรมทั้งหมดรู ป, ปะนี่คือรูปมาจากความที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงสภาพจากสิ่งอื่นมากระทบได้แตกสลายเปลี่ยนแปลงเพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหาย เหลือบยุงลมแดดอะไรที่เป็นสสารทั้งหมดกองรวมกันคือขันเรียกว่ารูปขันนี้กองนี้หมวดหมนนู่นี้ทำให้เราถูกได้มันคือกองที่หนึ่งกองที่สองคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้าง สิ่งอะไรจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากมีผัสสะเช่นเรามีการกระทบอ่มีเสียงผ่านทางหูหรือมีเรื่องราวอะไรหนึ่งผ่านทางใจมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่มากับสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เป็นภัสสะนั้นเสมอไม่ว่าจะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอาหที่ลิ้มรส อาหารชนิดนี้ลิ้มรถแล้วรู้สึกมีความคิดนึกถึงวัยเด็กขึ้นมาถ้าไม่มีความรู้สึกคือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรืออาจจะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคือไม่ได้บอกได้ว่ามันจะสุขหรือทุกข์อย่างไรเรียกเป็นอาทุกขมาสุขได้อันนี้เป็นความรู้สึกหรือว่าเวทนาถัดมากองที่สาม จัดหมวดหมู่เรียกว่าขันกองรวมกันเรียกว่าขันสิ่งที่เหมือนกันในประการที่3มากองอยู่ในนี้ก็คือสัญญาหมายถึงความหมายรู้ตัว definition นะ่างกับเ้าจอยากจะเอาข้อยกขึ้นมาก่อน แ, แต่ละข้อละข้อหมายถึงยังไงจะก็อธิบายไปอีกครั้งหนึ่งอย่างที่3ที่เรียกว่าสัญญาคือความหมายรู้ บานก็จะเรียกว่าความจำได้หมายรู้คือสัญญาหมายรู้ว่าเอัอ น, นีมันคืออันนี้อันนี้มันคืออันนี้นี่นะคือสีแดงอ๋รรอรอเรดันนี้คือปากกาออเพนออหมิงบี้เออหมายรู้ได้นี่คือสัญญาอย่างที่4กองที่4หมวดหมู่ที่4ที่จัดอยู่ในเรื่องของทุกข์คือปัญหา นั่นคสังขารหมายถึงการปรุงแต่งให้มีความสมบูรรูปไปในอีกแบบหนึ่งปรุงแต่งรูปให้สมบูรรูปด้วยความเป็นรูปการปรุงแต่งนั่นคือสังขารปรุงแต่งสัญญาให้เปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งเวทนายแบบหนึ่งนั่นคือสังขารคือการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารขันและในประการที่5กองรวมกันเอาไว้ อะไรที่เป็น เ, นเหมือนกันนั่นคือเรื่องของวิญญาณหมายถึงการรับรู้หรือการรู้แจง้งรู้แจ้งสีเขียวรู้แจง้งรสเผ็ดรู้แจง้งรสหวานการรับรู้ได้การรู้แจ้งได้นั้นคือวิญญาณห้าอย่างเนี้เรียกว่าทุกกองกองรวมกันจัดหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการบัญญตัติสะดวกไม่ยาก เกินที่จะอธิบายหรือทำความเข้าใจกองรวมกันเอาไว้ก่อนทีนี้แยกเป็นกองๆแล้วปัญหาของมันเนี่ยคือว่าไอ้ความยึดถือมัติดตรงนี้ได้เสมอเราจะต้องมีความรัดกลุ่มรับข้อไม่หละหลวมคือต้องมีความละเอียดลออในทั้งเรื่องบทประเด็นชนะเรื่องความหมายเรอถ้าจะเอาขยายความเข้าไปนะยังเป็น เรื่องของภาษาเรื่องของการดำไปใช้งานอะไรต่างๆเอาแค่ว่าบทเบียนชนะกับอัฐาก่อนเราเบสิกเบสิก2อย่างต้องรัดกลุ่มรับคอนในที่นี้ท่านบัญญัติเรื่องของทุกหเรียสัตว์นี่นะท่านใช้คำว่าอุปาทานขันไม่ใช่กันขันเฉยๆนะถ้าเราจะว่ า, าทุกคือขัน5้ขัน5นี่พูดสันๆพูดเร็วๆ พูดย่อๆแต่ถ้าพูดกันเอาเต็มๆจริงๆให้มันรัดกลุ่มราบคอบนี่ต้องพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านใจคำว่าอุปาทานขันเป็นทุกข์อุปาทานจะมีคำนี้อยู่ด้วยเสมอเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องขันหจะมีคำว่าอุปาทานขันหเสมอมาจากคาว่า ปัญจุปาธานขันตาปัญจะคือ5ใช่ไหมก็คำว่าอุปาทานมาสมารวมกันก็เรียกว่าปัญจุปาทาคืออุปาทาน5ขันคือกองอันเป็นที่ตั้ ง, งความยึดถือคืออุปาทานมี5ประการคือปัญจุปาธานขันจะมีคำว่าอุปาทานคือความยึดถือเข้ามาแทรกอยู่ด้วยเสมอลเลาเต้นจะพูดเรื่องขัน ที่เป็นส่วนของทุกนี่จะมีความรัดกุมอย่างงี้นะแะข้าพเจ้าก็ไปลองเสิร์ชหาดูนในฝั่งในพระไตรปิฎกนี่ที่เราจะพูดถึงคำว่าขันเฉยๆเนี่ยโดยไม่มีอุปาทานนี่มันไม่มีเลยนะตรงฝั่งคือหรือว่าพระมหาภบุญอาจจะยังหาไม่เจอก็ได้นะเออแต่ถ้าต่้งแต่ฝั่งหาเจอแล้วตรงไหนนี่บอกด้วยแม้มันจะดีมากเลยว่าทำไมท่านมีการกําหนดบทเรี่ยนชนะเป็นลักษณะนั้น ประวัตตรงนั้นจะหมายถึงอะไรเราค่อยว่ากันแต่ว่าเท่าที่เจอมาคือจะมีคำว่าอุปาทานความยึดถือมาพ่วงอยู่ด้วยกันกับเจ้าขันที่มีห้าประการนี้เสมอแล้วบางทีพอเรียกอุปาทานขัน5ไม่ได้พูดคำว่าทุกโดยสํำนะทุกวานะไม่ได้จะบอกว่าอันนี้คือผู้ข่าิยศสตร์นะคืแต ง, งก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้ง แต่อธิบายเรื่องขันหน้าประการที่มีอุปทานมายึดติดไว้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อุปทานเนี่ยทั้งวังที่มันทำให้เจ้ารูปเป็นทุกข์อุปทานเนี่ยั้งฟังที่ทำให้เจ้าเวทนาเป็นทุกข์เราดูตัวยอย่างอะ่ะคนเราเนี่ยมันทุกข์เหมือนกันนะในเรื่องขันหนาใช่ไหมเพราะขันหน้าเป็นทุกข์ทุกคนมันก็ต้องมาทุกข์เรื่องขันนนี่แหละแต่คนเรามันทุกข์ ไม่เหมือนกันอ้าวท่านแล้วสรุปว่ามันทุกข์เหมือนกันเลยทุกไม่เหมือนกันกันแน่นี่ทําไมพูดย้อนแย้งอ้าวถ้าบ้านเราไฟไหม้มันจะทุกข์ไหมล่ะอ้าวบ้านผมไฟไหม้ผมก็ต้องทุกข์กันนี่แล้วถ้าบ้านคนอื่นก็ไฟไหม้เราจะทุกข์กันไหมก็ไม่ทุกข์เท่าถ้าบ้านเราไฟไหม้ใช่ไหมล่ะเออเอาทําไมบ้านเขาเราไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่บ้านเราเราทุกข์มากเลยแต่เนี้มันก็เป็นบ้านเหมือนกันน่ะทางนี้มันก็ไฟไหม้เหมือนกันน่ะ ทางตะวนตัน่นก็คือรูปเหมือนนอ่ะเป็นท่าสีดินน้ำไฟลมส่กนั้นก็มันไหมเหมือนกันมันมนเหลือเลยเนี่ยถามว่าทำไมหลังนั้นฉันไม่ทุกทำไมหลังนี้ฉันทุกเออหรือโทรศัพท์มือถือเอา้าของเราตกเลยตกแล้วแตกด้วยนะแตกแบบเละเลยอะรถทับอีกต่างหากนี่เออโท้ซากน้นที่มันเหลือเปอิดก็ไม่ติด ถามว่าจะทุกไหมโอ้ทุกสิฟังเทศไม่ได้แล้วถ้าของคนอื่นเขาตกแตกเป็นอย่างนี้เหมือนกันเราจะทุกไหมเอาก็ของคนอื่นปะมันเราก็ไม่ทุกง่ายหรือทุกไม่เท่าที่ของเราแตกก็นี่ไงตรงฝั่งมันเหมือนกันอยู่ในความที่เป็นบ้านเหมือนกันที่บอกเหมือ น, นไม่เกิดทุกได้เหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอันเนี้ยมันของใคร ถ้าเรารู้สึกว่านี่มันของเรามีความยึดถือแล้วนะนั่นชิ้นนี้เท่านั้นที่ทำไม่เราทุกไม่ใช่ชิ้นนั้นไม่ใช่หลังนั้นไม่ใช่อันนั้นแต่ต้องเป็นอันนี้ชิ้นนี้หลังนี้คนนี้สิ่งนี้ที่นี่เนี่ยเท่านั้นนี้เนี่ยเนยทำไมมันนี้เราไม่นั้นนะไอ้ที่มันนี้ได้เนี่ยเพราะมันยึดไงยึดว่านี้นี่นน แต่ไม่ยึดวั น, นนั้นไงยึดวันนี้นี่คืออะไรของฉันนี่อยู่ น, นี่นี่แล้วไม่ยึดวนันนั้นเพราะอะไรนั่นไม่ใช่ของฉันงไงนั่นไม่ใช่ของเราแล้วทำไมถึงไม่ยึดนะนั้นว่าไม่ใช่ของเราก็าม ไ, มาามไม่มีอุปทานไงแต่มันมีอุปทานคือความยึดถือเฉพาะอันนี้ไม่มีอุปทานความที่ถือในอันนั้นมันจึงต้องละเอียดเงีลยตรงฝั่งนั้ต้องรอบขอบนะวะ่านี้เท่านั้นเหมือนกันเดี๋ยว นั้นกับ น, นี้เหมือนกันอยู่แต่นี้ไม่เหมือนกันนั้นไงเพราะมันมีความยึดถือไม่เท่ากันเลยเจ้าอุปกรณ์ความยึดถือนี่มันเป็นแอนะล็อกโดยนั้นฟังนะคุณไม่ใช่ว่าศูนย์หนึ่งยึดหรือไม่ก็ไม่ยึดเลยไม่ใช่ยึดน้อยก็มียึดมากก็มียึดน้อยก็ทุกน้อยไงยึดมากความทุกข์ก็มากตามท่านจึงพูดคํานี้เสมอว่าอุ ป, ปาทานขัน จะไม่พูดว่าขันเฉยเลยเพราะถ้าจะบอกวันนี้คือทุกต้องบอกว่าอุปบาทานขันตอนนั้นถึงจะเป็นทุกถ้าอะไรที่เราไม่มีอุปาทานไม่ยึดถือเนี่ยเราจะไปเรื่องมันว่าทุกทำไมก็มันไม่เป็นปัญหาอะไ ร, ระไนไี่นาก็แต่มันไม่เป็นปัญหาอะไรเราจะไปทุกมันทําไมมันก็ไม่ทุกเฉยๆมันไม่เป็นปัญหาเราดารากแล้วเพราะมันไม่มีความยึดถือคืออุปาทานพระนั้นจากนี้ไปนะต้องฟังนะ แต่ฟังได้ยินพระมาหาภัยบูนพูดกับว่าขันห้าโรดเข้าใจไว้เลยว่าหมายถึงอุปท า, านขันห้าก็ทำไมท่านไม่พูดให้เต็มๆคือบางทีพระมาหาภับูรณ์ก็ลืมเหมือนกันกําหนดบทเพียนชนะไม่เรียบร้อยไม่รัดกุ่มไม่รอบข้อเพราะฉะนั้นท่าผู้ฟังฟังแล้วก็ต้องรัดกลุ่มรับข้อในการที่จะเข้าใจให้ได้ว่าโอ้มันคือต้องมีอุปท า, านอยู่ด้วยนะ ตรงนี้คือของเราเท่านั้นนะเหนียวเราจึงจะรู้สึกว่านี้มันคือทุกข์นะจึงเรียกว่าอุปาทานขันห้าคำถามที่หนีคือว่าแล้วมันทําให้เราทุกข์ได้ไงไออุปะทานกันหานี่นกลไกการทํางานให้เกิดความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นตรงไหนทำไมเรตาต้องไปทุกข์ตามมันด้วยเออน่นนะสินาสนใจนะเหมือนกระบวนการเช่นแอสไพรินเนี่ยมันเข้าไปในร่างกาย ของเราแล้วมันแก่ไขอย่างไงมันกำจัดโรคอย่างไงหรือมันกำจัดเชื้อแบคทีเรียอย่างไงอะแอสไพรินมันกำจัดเชื้อแบคทียยเรียหรอไม่น่าใช่มั้งท่านกุนันนะสิถ้ากุนอธิบายในกระบวนการทางชีวเคมีไม่ได้ไม่เกดหรอกแล้วยาฆ่ามะเร็งหรือพวกคีโมหรือการฉายแสงมันไปมีผลต่อเจ้าเซอร์มะเรยงไง คุณต้องอธิบายการทำงานมันให้ได้นะอหรือว่าโซลูชันทางแก้ปัญหาด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจอันนี้มันจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคในระดับจุลภาคอย่างไรการทำงานมาเกี่ยวข้องตรงไหนหระบบเศรษฐกิจทำงานยังไงทำไมเขต้องขึ้นดอกเบีย้ยลงดอกเบีย้ยอันนี้คนที่เขามีความเข้าใจเขาต้องอธิบายกระบวนการการทำงานก่อนมาได้เพื่ออะไร เพจะดูว่าปัญหามันคืออะไรเพื่อที่จะเข้าใจว่าทางแก้มันยังไงไงกลับมานะอุปมาัยนั้ฝังนะอุปมาคือว่าแล้วขันห้าที่ประกอบด้วยความยึดถือมันทำให้เราทุกยังไงเพราะก็ว่าอุปทานขันห้ามันไม่มีคําว่าทุกเลยแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจกแจงว่าขอโทษนะอุปาทานขันห้านะมันคือทุกแล้วมันเป็นทุกยังไงท่าน มันทำงานยังไงมันทำงานอย่างนี้ต้อหวังว่าเจ้าตัวขันหาเองใช่ไหมมันจะมีเงื่อนไขาการเปลี่ยนแปลงที่ให้มันอยู่สภาพนี้หรืออยู่สภาพนั้นหรืออยู่สภาพโนนยกตัวอย่างเช่นน้ำถ้าน้ำที่อุณหภูมิระหว่าง0ูนย์ถึงนึงมันกจะมีสภาวะความเป็นของเหลวแต่ถ้าอุณหภูมิเกิน1น0่ึ้อยไปนะมันจะกลายเป็น ไอน้ำเารียกเออมันจะกลายเป็นก๊าซหรือถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์นะมันก็จะมีสภาพความเป็นของแข็งแล้วคุณสมัติของความเป็นของแข็งของมันก็คือมันไม่ชฉพาหดตัวนะมันขยายปริมาตรออกด้วยนะเออเอาเงื่อนไขการทำงานของมันตามอุณหภูมิที่มันจะมีสภาวะความเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซเปลี่ยนแปลงไปนี มันเป็นไปตามเงื่อนไขใช่ไหมอทําอย่างเป็นอย่างนั้นน่ะการทํางานเป็นยังไงนักเคมีเขาอธิบายต่อไปอีกโอ้ว่าเพราะว่าโมเลกุลขอมันเชื่อมกันอยู่ด้วยพลังงานเท่านี้ถ้ามีอุณหภูมิเท่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในพลังงานของมันมันการเชื่อมกันก็แตกตัวออการเชื่อมกันก็แน่นเข้าเขาอธิบายทางกระบวนการเคมีได้การทํางานโดยโครงสร้างอะตอมอะไรก็ว่ากันไปเราเนี้คือเงื่อนไข ปัจจัยคือเหตุของอะไรที่มันเป็นอะไรของมันอยู่ของมันตอนนั้นอย่างนั้นน่ะขันห้ามันมีเงื่อนไกปัจจัยที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไงก็ธรรมชาตินะถูกปะเช่นฝนตกลงมาดินเปียกต้นไม้ก็ขึ้นถ้าอากาศร้อนหน่อยมันเดือดก็ตายอากาศเย็นหน่อยก็แล้วแต่พันพืช น, นะมันชอบอากาศร้อนหรืออากาศเย็นมันก็โตบ้าง บ้างมีโรคบ้างอะไรบ้าก็ธรรมดาใช่ไหม่ะเออนี้ก็ธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนี้โอเคนี่ธรรมชาติธรรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้มีความเกิดขึ้นบ้างดำรงอยู่บ้างแตกสลายไปบ้างตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาขหนา้าเป็นอย่างนี้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามรู ป, ปใบตาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณมันเป็นอย่างนี้ของมันตามเงื่อนไขตามปัจจัยคือเหตุ ที่ปรุงแต่งกันมาให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดปรุงแต่งกันมาอย่างนี้มันยังคงอยู่มันก็อยู่มีการเปลี่ยนแปลงไปธรรมาดามก็เปลี่ยนแปลงไปนะ้ําเปลี่ยนแปลงได้สภาพสสารเซลล์สิ่งมีชีวิตประเภทนี้ทํางานอย่างนี้เคมีนี้ประกอบกันนี้ก็ว่ากันไปใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตามเงื่อนไขปัจจัยของเขา เราพูดสั้นๆในหัวข้อนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงขันหน้านี่มันไม่เที่ยงแล้วปัญหามันคืออะไรมันทําให้เราทุกอย่างไงมันมาเชื่อมกันกับเจ้าตรงความยึดถือนี่หลายต่างเรามีความยึดถือในขันห้าตรงไหนใช่ไหมเรื่องอะไรแบบไหนเนี่ยไอ้เจ้าความยึดถือนี่มันเป็นเหมือนตัวเชื่อมคือช่างเชื่อมเชื่อมสองอย่างในให้ติดกัน เชื่อมอะไรห้ติกับอะไรเชื่อมจิโกเราให้ติด ก, กันกับเจ้าขันหานั้นเจนตาเพื่อว่าเรามีความยึดถือในไอเดียนี้ในความคิดนี้ในรูปแบบการปกครองอย่างนี้ในเรื่องนี้สิ่งนั้นเรียกว่าสัญญาความหมายรูปเป็นนามธรรมไม่ได้เป็นสิ่งกองที่จับต้องได้ถูกไถ้าเรามีความยึดถือในสัญญานี้ ความยึดถือนั่นคือประธานว่าแบบนี้ต้องเป็นอย่างงี้คือมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเห็นเงื่อนไขปัจจัยมันเป็นอย่างงี้เชื่อมอะไรกับอะไรนะจิตของเราเชื่อมจิตของเราให้ไปติดกับเจ้าสัญญานี้ทีนี้มันเป็นธรรมชาติของสัญญานะว่ามันก็จะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างนั้นบ้างโอเคก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่พอมไปเชื่อมอยู่กับจิตแล้วนี่สัญญาเปลี่ยนแปลงไปยังไงจิตก็จะเปลี่ยนแปลงสะดุ้งไปตามกัน ที่สัญญานั้นขึ้นขึ้นลงๆสูบบ้างถูบ้างหมายถึงเกิดบ้างดับบ้างเปลี่ยนแปลงไปจิตก็จะสะดุ้งไปตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงตามไปนั้นสัญญาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามเงื่อนไขยอย่างไรของสัญญาเขาด้วยความยึดถือคืออุปท า, านที่เชื่อมจิตเข้ากันกันกบสัญญานั้นแล้วจิตก็จะสะดุ้งถ้าใจกับนี้สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญานั้น ก็ถูกไงจิตมันสะดุง้งมันจะอยู่นิ่งๆเป็นสูกได้หรอไม่ได้มันก็จะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสัญญานั้นตัว อ, อย่างรูปเป็นต้นนะอาจจะเห็นได้ง่ายหน่อยร่างกายของเราเองก็ตามมีความยึดถือว่าแหม่กายของฉันเนี่ยยึดถือในความสวยงามนี่ความสวยงามนี่เป็นลักษณะของสัญญาด้วยเป็นลักษณะของเวทนาด้วยเกิดขึ้นในรูปด้วยทีเดียวนี่3อย่างเลยนะ ยึดถืออุปทานในรูปในเวทนาในสัญญานี่ยมันแยกกันไปสามกิ่งแล้วกับอะไรยึดถือกับจิตของเราเชื่อมกันจิตของเราเชื่อมลงไปในรูปนี้ให้เกิดเวทนานี้สัญญาด้วยความที่มันสวยอย่างนี้ต้องเอลเอสอย่างนี้ผมต้องสีนี้ทรงนี้ไปแล้วอะยึดถือไปแล้วเนี่ยพอ รูปนี้เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยตัวเช่นมันเหี่ยวลงผมงอกลงผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปจิตเราจะสะดุง้งคือเคลื่อนคลอยไปตามที่มันเสื่อมนั้นจิตมันก็จะหดหูมีความสะดุ้งไงมันจึงทุกข์ไงจิตสะดุ้งแล้วอยู่ไม่เป็นสุขนะทุฝังนะอะไรคือจิตที่เป็นสุขคือจิตที่ประพัฒนสอนเป็นสุข จิตประปัสสานี่เป็นสุขแน่นอนเพราะมันสว่างสวายมันนิ่งมันสบายแต่ถ้ามันต้องสะดุ้งอยู่เรื่อยมันไม่เป็นสุขละหรืะบวนการที่ขันห้าด้วยอุปบาทานหาให้จิตเราเป็นทุกข์มันจึงเป็นอย่างนี้เอาทาไมจิตคุณถึงไปยึดถือหรือคืออุปท า, านในสิ่งนั้นได้ กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยได้พิจารณาเห็นว่าไอ้ที่ความยึดถือคื อ, อุปาทา น, นี่เกิดขึ้นได้เพราะความเพลินเรามีความเพลิ น, เ ร, เ, ลนเรามีความพอใจเข้าไปอยู่ในสภาวะอะไรก็ตามความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือเลยจะยึดถือในสภาวะนั้นสิ่งนั้นแนวความคิดนั้นสัญญานั้นสังขารนั้นวิญญาณนั้น ทันทีเลยมันมานินเนียนนิยนเนียนนุ่มนุ่มสิ่งนั้นมันก็จะกลายมาเป็นทุกข์ของเราทันทีเพราะอาศัยความเพลินความพอใจความเพลินความพอใจก็เป็นเหตุเป็นนั้นเดียวกันเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดของเจ้าอุ ป, ปทานคือความยึดถือและอุปทานความยึดถือนทุกวั ง, งนะไม่เกิดในที่ไหนไม่มีอยู่ในที่ไหนนอกจากในคณะ เท่านั้นแล้วก็จะไม่เชื่อมอะไรอย่างอื่นนอกจากจิตกับขันห้าเท่านั้นนะคือหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นอยู่ในโลกมันคือขันห้าหมดนะที่ท่านรัฐคุมบัญญัติแบบนี้เพื่อต้องการไม่ให้มันไปปากปนเกีนกับเรื่องของมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นศีล ส, สมาธิปัญญาคุณยึดถือได้ไม้มยึดถือได้ แต่ความยึดถือมันจะลดลงถ้าคุณปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญายอย่างถูกต้องความยึดถือมันจะค่อยจางกลายไปลดลงไปเพราะนันจะว่ามันยึดถือไหมยึดถืออยู่แต่เราอย่าพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวมันจะสับสนเอาเป็นว่าถ้าคุณปฏิบัติตามมากๆซึ่งศีลสมาธิปัญญาความยึดถือมันจะลดลงความยึดถือจริงๆมันเกิดที่ไหนบัญญัติไว้ว่ามันเกิดขึ้นที่ขันธ์หน้าเท่านั้นอันนี้พูดเพื่อที่จะ ป้องกันความสับสนก่อนนะเพราะว่าสีสมาธิปัญญาเองก็เป็นส่วนของสังขารคือการปรุงแต่งความยึดถือเกิดได้แต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่ทําให้ความยึดถือนั้นลดลงตื่นถึงจัดหมวดไป็นอันหนึ่งแต่การปรุงแต่งทั่วๆั่วไปการปรุงแต่งทั่วๆไปความคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้จัดไว้อยู่ในขันหานี้แน่นอนมีความยึดถือเกิดขึ้นได้ เพราะว่าถ้าเราเพลินเราพอใจในสังการนั้นในเวทนานั้นในสัญญานั้นความยึดถือเกิดขึ้นทันทีที่มันมักจะเห็นได้ชัดเจนนุฝั ง, งคือความสุขนี่แหละสุขเวทนาสุขเวทนามีอยู่แล้วแล้วเราก็พอใจในสุขเวทนานั้นความเพลินความพอใจในเวทนาใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุ ป, ปาทานเราก็จะมีความยึดถือ ในสุขเบญทนาที่เกิดขึ้นนั้นความยึดถือนั้นคือเชื่อมแล้วนะเชื่อมจิตเข้ากันกับเวญทนาคือสุขนั้นทันทีเลยเดี๋ยวนั้นสุขแล้วเป็นไงแหมก็อยากให้มันมีอยู่ต่อไปไงของเรานี่เพลินแล้วอย่าหายนะเพราะถ้าหายแล้วมันเพลินไม่ได้ถ้าหายแล้วมันยึดถือไม่ได้ถ้าหายแล้วมันพอใจไม่ได้แต่ทีนี้เวญทนานั้น มันมีเงื่อนไขประจจกันมันแล้วพอมันหายไปใช่ปะละ่ะเชื่อมจิตเขาแล้วนี่พอเมตนะนั้นหายไปลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเคยเป็นจิตเราก็จะสะดุ้งนั่นดีเพราะมันเชื่อมกันอยู่แล้วไงพอมันลดลงจางคลายไปเอาจิตนี้เออตามไปด้วยเลยสะดุ้งไปด้วยเลยจึงไม่เกิดทุกข์แบบนี้สิ่งที่เป็นสุขเบตนาทาให้เกิดทุก พิจิตได้เออประหลาดไหมนี่คือธรรมชาตินะท่านฟังถ้าเราสูญเสียความทุกข์ท่านจึงบอกว่าการพลัดพรากจากความสุขนั่นแนหะคือความทุกข์การที่ต้องจากจากความสุขนั่นแหะคือความทุกข์สุขกับเบชนามันก็ทําให้เกิดทุกข์ได้นะทุกที่จิตของเราเออใช่ก็ทำไมไม่ให้สุขมันอยู่ตลอดละ่ะทีน่นี้แก้ปัญหาไม่เป็น ว่าถ้าเราจะพยายามให้มันสุขอยู่มีตลอดมันเงื่อนไขปัจจัยมันได้ไหมล่ะเพราะมันก็จะมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วเงื่อนไขปัจจัยของเหตุนั้นแล้วก็เงื่อนไขปัจจัยของเหตุของเหตุนั้นอีกต่อไปอเรื่อยๆไงช้าๆแล้ววังค่อยๆไปช้าๆถ้าเราต้องการให้สุขเวทนานี้มันอยู่ใช่ไหมล่ะโอเคแน่นอนเราก็ไปควบคุมเงื่อนไขปัจจัยของความมีอยู่ dunno, เป็นอยู่ของสุขเวทนานี้ก็ได้โอเคได้ ลองคุณไปควบคุมดูแต่ถ้ามันมีเหตุปัจจัยสัก2อสอย่างทําให้เกิดสุขเปตนาน h i s เราลองควบคุมเหตุปัจจัยนั้นดูให้มันอยู่อย่างนั้นที่สองสาอย่างมันก็จะมีเหตุปัจจัยของที่ใจมันอยู่สภาพนั้นอีกนะแต่และอย่างอาจจะมีสักอย่าง2อย่างเอา้าคุณก็ไปควบคุมเนี่ยมันเริ่มยกกําลังแล้วสังนะ2ยกกําลังสามก็ได้แนะแปดยกกําลังอีก3ามยินได้อะไรโอ้ แล้วเราจะไปตามควบคุมเหล่านั้นทั้งหมดทั้งหมดนี่ก็ไปยึดถือมันต่อยึดถือมันต่อความยึดถือที่ต้องตามต่อไปมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณไงสุดท้ายมันก็ ค, ควบคุมไม่ได้นะสุดท้ายมันก็คือสะดุ้งนะถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุอะไรของมันอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพยายามควบคุมแล้วมันควบคุมไม่ได้แล้วว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นของมัน จิตเราก็จะมีความสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นทันทีนี่คือกระบวนการที่ว่าทำไมอุปาทานขันน์มันถึงทำให้เรามีความทุกข์ที่จิตเกิดขึ้นแม้แต่สิ่งนั้นเป็นสุขเวทนาเองก็ตามมันทำงานได้แบบนี้ด้วยเหตุนี้ท่ามผฟังลักษณะของเจ้าขันหะที่มีความยึดถือูุอปาทาน ก็ไปติดอยู่ด้วยกับของมันแล้วมันจึงมีเงื่อนไขปัจจัยที่ตามมาด้วยเสมอที่ถ้าจิตของเราไม่ยอมรับมันแล้วจิตของเราก็จะสะดุ้งเพราะมันเชื่อมติดกันอยู่ใช่ไหมที่จิตสะดุ้งเพราะว่าเหตุมันเปลี่ยนตัวมันก็จึงเปลี่ยนเหตุมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนจิตก็จึงเปลี่ยนขึ้นๆลงๆแต่จิตของเราเนี่ยวันมันมีความเป็นประภพสสอนยดีว่า ด้วยความเป็นปรารถสอด้วยปัญญาด้วยวิชาคือความรู้ที่ถ้าจิตมีแล้วมันก็จะยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ไดนะ้ยอมรับเงื่อนไขที่ขันธานั้นมันมีเหตุปัจจัยตามต่อกมันมันมาเงื่อนไขเป็นยังไงโอเคฉันรับได้ฉันรับได้ถ้าจิตมีปัญญามีความรู้มีแสงสว่างคือวิชายอมรับได้แล้วโอเคมันก็เป็นอย่างนี้จิตมันก็จะไม่สะดุ้งไง จิตมันจะไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันหานั้นจิตที่ไม่สะดุ้งก็คือหมายความว่ามันไม่ได้เพลินไม่ได้ไปยึดถือสิ่งนั้นด้ยการเปตัวตนแล้วไงว่ารับยอมรับได้ที่มันก็เป็นอย่างนี้ของมันนั่นแหละยอมรับได้ตรงนี้ทุกฝั่งคือเดินใจคําว่ารอบรู้มันรอบรู้มาจากคำว่าปริญญาปริญญายัก นั่นคือกิจที่เราจะต้องทำในขัน5ยอมรับมันยอมรับนี่ภาษาอังกฤษทุมฟังเขาจะใช้คาว่า embrace เวลาที่ถ้าเราขึ้นเครื่องบินหรขึ้นเครื่องบินเรือบินเวลาที่จะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศตรงนี้ตั๋วเครื่องบินมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็เคยขึ้นเครื่องบินแล้วล่ะเวลาที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยลูกเรือ ก็คือพัก ง, งานที่อยู่ข้างบนก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยเช่นเวลาที่ถ้าเครื่องบินจะตกหรือมีเหตุฉุกเฉินจะใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างไรใช้เครื่องออกซิเจนหายใจยังไงต้องทำท่ายางไงยังไ ง, ง, ไงนี่ก็จะมีการบอกเอาไว้มีคำหนึ่งตัวฝังที่ก็จะพูดเวลาที่ถ้าเครื่องบินตกแล้วเนี่ยนะกัปตันนี่จะเตือนตัวฝัง ถ้าเวลาทมันจะดิ่งลงแล้วนี่แล้วมันจะต้องมีแรงกระแทกนี่นะเขาจะบอกว่าเตรียมรับแรงกระแทกหรือแรงกระแทกมาแล้วเนี่ยคุณจะมาหลีกหนีแรงกระแทกไม่ได้แล้วเพราะคุณอยู่ในเครื่องใช่ไหมคุณต้องพร้อมรับมือกับมันเขาจะใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้ว่า embrace for impact เตรียมรับแรงกระแทกมันมาแน่เหมือนกันนะท่าังนะ embrace นี่ยนะคือยอมรับมันนะยอมรับ ขันห้าว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงอย่างนี้ไอการที่เรายอมรับขันห้าว่ามันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้มันมีเงื่อนไขประจัยของมันมา้วหละความยาวรัดนั้นเพราะอะไรเพราะปัญญาไงเพราะวิชาไงเพราะแสงสว่างเพราะความรู้ที่ไหนที่จิตว่าไงนะก็ขันห้ามเป็นอย่างนี้ยอมรับมันยอมรับมัน embrace มันอยู่กับมันให้ได้ ด้วยปัญญานี่นะที่เกิดขึ้นที่จิตนี่นะทาให้ความยึดถือี่มันลดลงไปทันทีแล้วนะจางลงไปเบาๆลงไปที่พูดเรื่องนี้บราอะไรเพราะว่าต้องการอธิบายคเนี้ทนะุกังว่ายอมรับมันด้วยปัญญาปัญญาไงเดี๋ยวจะค่อยว่ากันนะแต่ว่าขันห้าเนี่ยมันมีเงื่อนไขปัจจัยที่มาด้วยถ้าเราไม่ยอมรับเงื่อนไขเนี่ยเราอยู่กับมันไม่ได้ทนะุกฝัง เราจะไปเช่าที่เขาอยู่ทำมาหากินอย่างนี้เขาก็จะมีสัญญาให้เราเซ็นใช่ไหมล่ะคุณยอนเงินไปฝากธนาคารอย่างนี้เขาก็จะมีสัญญาให้คุณเซ็นใช่ไหมล่ะคุณย้อบัตรเครดิตเขามาใช้อย่างงี้เขาก็มีสัญญาให้คุณเซ็นใช่ไหมล่ะคุณจะซื้อขายอะไรเช่าอะไรเขาก็จะมีสัญญาให้คุณเซ็นนั้นนะเปิดบัญชีเงินฝากนี่ยิ่งตัวดีเวลาเราไปเซ็นเอกสารอะไรที่ธนาคารนะ พอท้อตัวหนังสือมันยิบย่อยเยอะแยะหมดเลยถ้าไม่ได้ใช้แว่นขยายเนี่ยบางทีอ่านไม่เห็นด้วยซ้ําแล้วข้อความที่ถาถึงอ่านเห็นมันก็เป็นภาษากฎหมายที่มานทีเราก็ไม่เข้าใจว่าคำนิ่หมายว่ามาไงนะเขียนมันเป็นยาวๆเนี่สรุปง่ายๆท่าฟังว่าถ้าธนาคารล่มนะเขาให้คุณแค่ห้านเดียวนะเราให้คุณมีเป็นรายรายไลนก็ตามผมจะมียุติธรรมได้ไงก็เงินฉันฝากอยู่ แล้วพอธานาคารล้มแล้วจะไม่คืนหรอไม่คืนแล้วเอาทำไมว่ า, างี้ก็เงื่อนไขก็เป็นอย่างเงี้ยคุณจะยอมรับไหมไม่ยอมรับแล้วไม่ยอมรับก็ไม่เซ็นไม่เซ็นก็เอาเงินฝากไม่ได้กูอยากยายกันไปใช่ไหมล่ะหรือบัตรเครดิตนะก็มีเทอม์มสันคอนดิชั่นมีเงื่อนไขาการให้บริการน่ะว่าถ้าคุณจ่ายช้าเกินเท่านี้วันพวกเก็บเงินคุณนะเฮ้ยจะไปเก็บได้ไงไม่ได้ไม่ยอม ไม่ยอมก็ไม่เซ็นไม่เซ็นก็เอาไปใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าจะเอาไปใช้นะจะฝากเงินนะจะซื้อขายนะเงินขายเป็นเงนี้ยเอาไหมคุณจะเช่าที่กขาบอกปีแรกจ่ายเท่านี้นะแต่ฉันจะขึ้นทุกสเทุกสซนทุกปีทุกปีนะเฮ้ยได้ไงอ่ะขึ้นมากกว่าเงินเฟ้เออ้าวก็อย่างงี้แหละจะเอาไหมล่ะโอ้ยทําไมเอาก็ไม่เซ็นใช่ไหมล่ะไม่เซ็นก็ไม่ได้เช่ากัน แต่ถ้าจะเช่ากันจะซื้อกันต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ก็เส้นจะอยู่กับมันให้ได้ก็ต้องยอมรับมันใช่ปะเช่นเดียวกันน่ะขันห้าเราอยู่กับมันตอนเนี้ยถ้าเราไม่ยอมรับว่าเงื่อนไขมันเป็นอย่างงี้นี่เมันให้เถียงกันไม่ได้มีปัญหากันนะปัญหาคือความทุกข์ไงคนเรามันจึงทุกข์อย่างเงี้ยเพราะไม่ยอมรับเงื่อนไขของขันห้าว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างงี้พอไม่ยอมรับมันทุกทันทีที่ไหน เว่อเอกคนอื่นเอาตัวเราจิตเรานี่มันจะทุกข์ที่จิตเราว่าคิดเป็นอย่างงี้ทําไมลูกจันเป็นอย่างนี้ท ำ, ทำไมผัวทําทไมกู่ครางจันเป็นอย่างนี้ทําไมเพื่อนบ้านจันเป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมคนโน้นเป็นอย่างนี้ทำไมสิ่งที่เป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่ไม่เป็นในระหว่างไม่เข้าใจเงื่อนไขยอมรับมันไม่ได้นะคุณทุกข์ทัน ท, ทีนะให้เปลี่ยนแปลงให้ว่าเป็นไปในทางดีค่อยๆกัน มันจะมีวิธีอยู่ค่อยๆ อ, อธิบายกัยนไปเงื่อนไขมันมีหลายอย่างแต่ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตของเราเพราะเรายอมรับสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่เที้ยมันไม่ได้เราทุกข์แน่นอนดูฟังเราทุกข์แน่นอนเพราะเงื่อนไขาการให้บริการของมันเป็นมาแบบนี้ทุกอย่างดูฟังเดี๋ยวนี่กคจะลงแอปอะ่ะแต่ก็จะมีมาให้ติก๊กก่อนว่าคุยอมรับไหมเก็จะเอาข้อมุลนี่คุณพูดไปนะ คุณชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คลิกตรงไหนไล้์อะไรก็ตรวจหมดนะ่ะเก็บข้อมูลหมดนะ่ะทำไมยอมให้เขา้าคุณใช้บริการซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้นะเราจะรู้ปล่าว่าเขาจะมาเข้าดูคุณว่าคุณจะดูอะไรคุณจะเก็บอะไรเก็บเท่าไหร่เขาดูได้หมดนะโดยอีเมลมีความปลอดภัยก็ไม่มาดูเขาดูอยู่แล้วดูเดะเราวางอะไรไว้เราพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวโฆษณานั้นมาทันที หรืออ e ีเมลเขาจะไม่อ่านโทา ด, ดูเขาอาจสแกนข้อความในอ e ีเมลแล้วเขาก็ขึ้นโฆษณามาตามที่เราสนใจอยากจะซื้อมันแน่นอนแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเงื่อนไขเราก็อยู่กับมันไม่ได้เหมือนกันดูหวังว่าเงื่อนไขการให้บริการนั่นคือขัน5ขัน5ตัวมันเป็นอย่างนี้มันจะมีเงื่อนไขของมันตามมาด้วยเสมอเราจะอยู่กับมันไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมรับเงื่อนไขของมันจะอยู่แบบเป็นทุกข์มาก เราจึงต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการคือความที่มันจะอยู่กับมันได้ไงจะมีปฏิสัมพันธ์กับขันห้าได้ไงต้องยอมรับมันใจก็บว่ารอบรู้คือปริญญายอมรับรอบรู้เรื่องถูกว่ามันเป็นอย่างอย่างนี้ในเอพิโซดหน้าดูังครับพเจ้าจะมาเจาะลงใบว่าขันห้านั้นเป็นอย่างไร มีอะไรในรายละเอียดที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ definition คือความหมายของมันเป็นอย่างไรผู้ประม า, ะมาทไม่ฉันยกไว้ให้เปรียบเทียบกับสิ่งไหนที่ว่ารอบรู้รอบรู้ยอมรับมันมาเป็นอย่างนี้นั้นคืออย่างไรในสัปดาห์หน้าดวางเราจะมาต่อเรื่องของกันหน้าในตอนที่สองในสัปดาห์นี้ทําความเข้าใจจากภาพกว้าง ว่าทำไมสิ่งนี้ท่านถึงเรียกว่าทุกข์เราเจอะลงไปในรายละเอียดให้มีความรัดกุมราบคาบในเรื่องบทพยัญชนะว่าทำไมมันต้องเกี่ยวกับอุปท า, านเราทำความเข้าใจว่าแมชชีนิซึมคือกระบวนการวิธีที่เจ้าอุปทานกันหน้าทำให้เราทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแลเราได้ทำความเข้าใจในข้อสุดท้ายว่าเงินใคก็มันเป็นอย่างนี้ เราจะอยู่กับมันยอมรับมันได้เราจึงจะไม่ถูกได้นั่นเนงนนองท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มพุทธบดนัร์จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธโ ด, ดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเ้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาต่างๆโดยมีขา้าพเจ้าพระมหาไพบูร์พระพี่ปุนโญเป็นผู้ดำเนินรายการระบกันไปในวันพรุ่งนี้จนเร็วบาน